อีกสูตรหนึ่งนะครับธาตุสูตรนะฮะธาตุสูตรนะครับในสูตรที่สองติกนิบาตจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สำับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธาตุสมอย่างนี้สอย่างเป็นไฉนคือรูปธาตุหนึ่งอรูปธาตุหนึ่งนิโรธาตุหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธาตุสามอย่างนี้แหละรูปรูปประพบนะครับอรูปประพบแล้วก็นิพพานนั่นเองนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนเหล่าใดกำหนดรูปอุปทาสแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปอุปทาสน้อมไปในนิโรธชนเหล่านั้นเป็นผู้ละมัจจุเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ถูกต้องอมตะธาตุอันหาอุปธิมิได้ด้วยนามกายแล้วกระทาให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปธิ ย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากผุ้รีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กําหนดรู้หรือว่าทําปริญญาในรูปประธาตรูปประพบได้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดํารงติดไม่ติดใจในอรูปประพบน้อมจิตไปในพระนิพพานคนเหล่านั้นก็จะละมัจจุนะครับคือละมรณะได้นะครับมัจจุก็คือมรณะละคนที่ละมรณะก็แสดงว่าไม่มีชาติชราเป็นต้นนั่นเองนะครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะไม่ได้ผู้ที่ถูกต้องอมตะธาตุอันหาอุปธิไม่ได้ด้วยนา ม, มากายนะครับด้วยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับคือพระองค์นี้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธตริยานี่นะพระองค์ก็แสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุลีคือพระองค์นี้แสดงอมตะมหานิพานนั่นเองนะครับในอัตกถาบทว่าทาตุโยชื่อว่าธาตุพระหมายคำ ว, ว่าทรงไว้ซึ่งผลและสภาวะของตน บรรดาผลและสภาวะทั้งสองอย่างนี้สิ่งให้เกิดผลชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้ซึ่งผลของตนและสภาวะของตนนอกจากนี้ชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้เฉพาะสภาวะอย่างเดียวนะครับรูปประพบชื่อว่ารูปประธาตที่มาของธาตุพึงกำหนดด้วยพบที่มาของพบพึงกาหนดด้วยธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสการกำหนดด้วยพบ เพราะฉะนั้นรูปธาตุคือรูปราวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่ารูปราวจรธรรมคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกาหนดเอาเทวโลกเป็นที่สุดเบื้องบนกําหนดเอาพรหมชั้นอกติฐาไว้ในภายในธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ารูปราวจรนะครับก็คือพวกพรหมทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรูปรูปภพเนี่ยนะ เท่ากับพรหมทั้งหลายเพราะนั้นสงเคราะห์โดยสภาวธรรมก็เรียกว่าขันธาตุและอายตนะนะครับนในที่มาของธาตุพึงกําหนดด้วยภพที่มาของพบพึงกําหนดด้วยธาตุตรงนี้หมายความว่าอย่างไงนี่เข้าใจคําว่าพบนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะครับก็เอานี่นะครับสภาวธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นเครื่องนิมิตหมายบอกว่านี้เป็นพบอะไรเป็นพบอะไรนะครับ นะก็คือเอาขันธาตุอายตนะนั่นแหละเป็นเครื่องกําหนดนะครับคำว่าธาตุหรือก็คือขันธาตุเนี่ยนะครับในธาตุสิเป็นต้นเป็นเครื่องกําหนดว่าอะไรคือรูปประพบอะไรไม่ใช่รูปประพบเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรูปประพบทั้งหลายเนี่ยนะครับก็กําหนดด้วยขันอายตนะธาตุนั่นเองอรูปประพบชื่อว่ า, ารูปประธาตถึงในพระสูตรนี้ก็ตรัสถึงการกําหนดด้วยพบ ดังนั้นอรูปราธาตุคืออรูปาวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าอารูปาวจรธรรมคืออะไรคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกําหนดด้วยเทพผู้เกิดในชั้นอากาสานัญญาอายตนะไว้ในภายในเบื้องบนกําหนดด้วยเทพที่เกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญาายตนะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารูปาวจรธรรมนะครับ คือหมายถึงตั้งแต่อาการาณญจารย์ตนะเป็นต้นจนถึงเนวะนั่นแหละเรียกว่า อ, า ร, อารูปธาตุหรืออรูปาวจรธรรมนะครับถ้าต่ําลงมากว่านั้นก็เรียกว่ารูปาวจรธรรมส่วนพระนิพานนี้ชื่อว่านิโร ธ, ธาตุนะครับคือธาตุเป็นที่ดับธาตุทั้งหลายเหล่านั้นอีกในยะมหนึ่งความเป็นไปแห่งธรรมะที่ประกอบด้วยรูปเนื่องด้วยรูปชื่อว่ารูปธาตุได้แก่ปัญจโวโกรพและเอกวการพ กามาพบและรูปประพบทั้งสิ้นสงเคราะห์เข้าในปัญจโวการพบและเอกโวการพบนั้นนะครับคือคือคำว่ารูปประธาต์นั้นในที่สองเนี่ยได้แก่อะไรครับสรุปแลยนะตั้งแต่นรกจนถึงรูปประพรมทุกชั้นทั้งหมดเรียกว่ารูปประธาต์เน้นเอาภูมิที่มีรู ป, ปรขันเป็นหลักนะครับชื่อว่ารูปประธาต์ความเป็นไปแห่งธรรมะที่เว้นจากรูปชื่อว่าอรูปประธาต์ได้แก่จตุวโวการพบ อรูปประพบสงเคราะห์เข้ากับอรูประธาต์นั้นดังนี้ด้วยบททั้งสองจึงเป็นอันแสดงถึงพบสอันเป็นไปในสังขารทั้งหมดนะครับคือสังขารทุกชนิดที่เป็นไปในภูมิ3นะครับเชื่อว่ารูปประธาต์และอรู ป, ประธาต์แต่ด้วยบทที่3 ส, สงเคราะห์เอาอาสังคตะธรรมเท่านั้นนะบทที่3คือนิพานนะครั บ, บ, ททอนะรบเอาแต่นิพานอย่างเดียวดังนั้นในสูตรนี้มรรคและผลทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่พ้นจากพบสามนะครับ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวด้วยบททั้งสองว่าธรรมะที่เป็นสภาวะของรูปชื่อว่ารูปธปาตุธรรมะที่เป็นสภาวะของอารูปชื่อว่าอรูปธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงถึงเบญจขันธ์โดยไม่มีส่วนเหลือและว่าธรรมะที่เป็นอารมณ์ของรูปปัญหาชื่อว่ารูปธปาตุที่เป็นอารมณ์ของอารมูปปัญหาชื่อว่าอารมูปธาตุคาทั้งหมดนั้นไม่ได้ทรงประสงค์เอาในสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นพึงทราบเนื้อความตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ คือนะตามมาติของอาจารย์บางพวกเนี่ยไม่เอานะครับสรุปนะนะเพราะฉะนั้นก็เน้นนะครับผมชอบในที่2มากกว่าที่บอกว่าคำว่ารูปธาตุนั้นหมายเอาพบที่มีขันห้าหรือขันเดียวทั้งหมดนะครับส่วนอรูปธาตุได้แก่อรูปปรพรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนนิโรธได้แก่นิพพานนะครับเพระาะว่าธาตุสมอย่างนี้มีอยู่นะบังนั้น พึงทราบวินิจฉัย ใ, ในคาถาทั้งหลายบอกว่ากําหนดรู้ความเป็นไปแห่งธรรมะอันเนื่องด้วยรูปนะครับด้วยปริญญาสามมียาตะปริญญาเป็นต้นนะครับคือหมายความว่ากําหนดรู้ปัญจโวการพบและก็เอกโวการพบโดยปริญญาสามมียาตะปริญญาเป็นต้นอรูเปสุ อสัญติตาความว่าไม่ประฏิสถานอยู่แล้วคือไม่พัวพันอยู่ในธรรมทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรด้วยอำนาจพวะราคะและด้วยอำนาจทิฏฐิราคะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเพลิดเพลินยึดมั่นยินดีอยู่ในอรูปภพนะไม่ใช่ไม่ติดในรูปภพทั้งหมดแล้วก็ไปยินดีในอรูปภพเหมือนอาลลาการาดาบทอุตกาดาบทนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะนะด้วยคํามีประมาณเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัดการกำหนอรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสนะครับเท่ากับว่าให้ทาปริญญาในการมาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิทั้งหมดนะครับบทว่านิโรเทเยวิมุติจันเตความว่าชนผู้เป็นพระขีนาสพเหล่าใดผลจากกิเลสโดยไม่มีเหลือในพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ด้วยสมุทเฉทวิมุตและปฏิปสัสสทวิมุตด้วยสามารถแห่งมัตผลชั้นสูงเตชนะนามั จูหายิโนความว่าชนผู้เป็นพระขี่นาศพเหล่านั้นล่วงพ้นความตายได้แล้วเพราะไม่มีปฏิสนธิพะไม่มีปฏิสนธิก็ไม่มีจุติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงพระารหันทั้งหลายนี่นะครับผู้ได้สมุดเชทวิมุตคืออรหัตตะมักนะครับปฏิปสัสสติได้แก่อรหัตผลเพราะฉะนั้นพระารหันนี่ก็พ้นจาก พทั้งสามแล้วโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะไม่มีปฏิสนธิในภพใดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่หาปฏิสนธิจิตของพระอรหันต์จึงหาไม่ได้นะครับที่บอกว่าพยามาหหาไม่พบนะครับเอ๊ะอยู่ตรงไหนกันแน่ะนะครับหาไม่เจอเลนะครับในภพสามนี่ไม่ต้องท่องหาเลยนะครับว่าปฏิสนธิท่านจะอยู่ตรงไหนเพราะท่านดับเหตุแห่งปฏิสนธิได้หมดแล้วบาลีใช้คําว่าขีนาชาตินะครับชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําคําเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนะครับครับเข้าใจยากใช่ครับคือถ้าจะสรุปสรุปก็คือให้ทำปริญญาสามในภพสา ม, มแล้วก็แทงตลอดพระนิพพานเท่านั้นนะนะโดยอัฏฐะก็มีเท่านั้นนะครับแต่โดยพยายามชนะก็หลากหลายไปนะครับคือทำไมจึงขยายให้ยากครับถ้าไม่ขยายอย่างนี้เวลาไปอ่านที่อื่นๆจะไม่เข้ากันนะ ถ้าพูดให้ง่ายๆมันก็ง่ายแต่เราจะไปเข้าสูตรอื่นอีกไหมเพราะฉะนั้นท่านจะอธิบายให้สัมพันธ์กันเหมือนกันต่อจิกซอสนะครับพระไตรวิฎกเนี่ยนะมาคลี่ออกแล้วก็เหมือนกับจิกซอแผ่นใหญ่ๆนะครับแต่ละสูตรก็เหมือนกับเป็นภาพที่มาประกอบมาประกอบนะนะสมมตินะถ้าผมจะอุปมาว่าพระสูตรหนึ่งสูตรเหมือนกับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านสมมติว่าประเทศไทยเหมือนกับพระไตรปิดกนะพระไตรวิดกคือประเทศไทยสัมนวนนะนะครับถ้าพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมก็แบ่งออกเหมือนกับภาคนะนะกลกุ่มภาค ทีนี้พสูตรแต่ละสูตรก็เหมือนกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับสมมุติถ้าหากว่าเออประเทศไทยมีอยู่5้าภาคใช่ไหมครับเหมือนกับห้านิกายอย่างนั้นนะเหมือนกับห้านิกายแต่ละนิกายก็แบ่งเป็นกลุ่มเรื่องใหญ่ๆก็เหมือนกับแต่ละจังหวัดในจังหวัดก็ประกอบไปด้วยหมวดย่อยๆลงไปอีกก็เหมือนกับแต่ละอำเภออำเภอก็มีหมวดกลุ่มย่อยๆไปตำบลฉะนันะะ้นสูตแต่ละสูตรก็เท่ากับเหมือนหมู่บ้านแต่ถ้าไม่เชื่อมโยงไว้ในลักษณะนี้มันจะไปขัดกับเรื่องอื่นๆนะครับ คนก็จะมองภาพประเทศไทยออกเป็นการผิดพลาดไปมองเข้าใจอย่างอื่นไปเพราะนั้นท่านจะเชื่อมนะเพราะสูตรหนึ่งสูตรก็เหมือนจิ๊กซอที่จะต้องสัมพันธ์กับที่อื่นๆนะถ้าไม่แสดงตามแนวนี้มันจะไปขัดกับที่อื่นๆนะครับอันพระถกถาที่ท่านเรียบเรียงให้นั้นท่านเป็นผู้ที่ทรงพระดยวิดดกนะครับแล้ว บทความที่เป็นในอัตถกาานี่นะครับบางที่ก็เป็นปกกินกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าพระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมเนี่ยสอดคล้อยกับที่พระองค์เคยตรัส ไ, <ok> <olmuş> ไว้แล้วนะครับแล้วก็จะสอดคล้อยต่อพระธรรมที่พระองค์จะตรัสต่อไป <im itation> แล้วพระธรรมทั้งหมดที่พระองค์ตรัสเนี่ยน ะ, ะ <im itation> จะต้องสอดคล้องกับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตรัสไว้นะครับแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็จะเทศไม่ขัดอันนี้ พะรยาบุคคลทั้งหลายก็จะแสดงธรรมไม่ขัดเพราะนั้นเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ตายตัวต้องเป็นไปตามแนวนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะนั้นคำสอนของพระองค์ไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ปลายเข็มนะครับหมายเงินเอะเอาวินัยกับพระสูรนี่มันเข้ากันได้ยังไงเนี่ยนะครับจะดูขัดกันไปหมดนะครับหลายบทว่ากาเยนะความว่าด้วยนามกายหรือด้วยมักและผลทั้งหลายคําว่านามกายนี้เป็นชื่อของมักและผลนะครับเพราะว่าเป็นนามธรรมนะ บอว่าผู้สิทวาแปลว่าบรรลุแล้วบทว่านิรูปรทิงความว่าเว้นจากอุปเิทุกอย่างมีขันธูปฏิบทว่าอุปเินิสักครังได้แก่เป็นเหตุเครื่องสละคืออุปเิเหล่านั้นนั่นแหละเพราะว่าอุปเิทั้งหมดเป็นอันภระกีณาศพสละคืนแล้วด้วยการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมัรคยานเพราะฉะนั้นการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมัรคยานนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการสละคืนอุปเิเหล่านั้นนะครับ โดยเฉพาะขันธูปฏินี่นะครับขันทั้งหลายจะสลัดออกได้ด้วยการทําให้แจ้งพระนิพพานนะครับนะแม้แต่การทําให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะครับก็จะสละกิเลสูปฏินะครับอุปธิคือกิเลสได้ทั้งหมดแล้วก็กรรมที่จะให้ผลนําเกิดในภพต่อไปเนี่ยก็จะสํารอกโดยที่มัคจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับก็จะสลักอภิสังขารูปฏิออกไปได้นะครับ บทว่าสัจจิกัตวาความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ทรงกระทําอมตะธาตุให้ประจักษ์แก่พระองค์เองด้วยการเข้าพระสมาบัติตามกาละที่สมควรทรงแสดงบทคือพระนิพพานนั่นแหละที่ไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเพราะฉะนั้นบัณฑิตควรกระทําความขมักขะเม้นเพื่อบรรลุบทคือพระนิพพานนั้นเนี่ยนะสอนให้ภาคเพียรพยายามนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วบทเหล่านี้จะมาปรากฏเองนะครับไม่มีทางแน่ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นเรื่องว่าองค์มร์เนี่ยสัมมาวายามะเนี่ยเกือกูลต่อสัมมาสตินะแั้นถ้าคนที่ขาดความเพียรพยายามเนี่ยนะครับสติถึงจะยังไงก็สติก็จะไม่เกิดนะครับถ้าขาดสัมมาวายามะนะครับแต่ผู้ที่มีสัมมาวายามะนั้นแสดงว่าศีลเป็นต้นจะต้องดีนะครับถ้าสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะไม่ดีสัมมาวายามะก็ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะของพระพิสุก็คือพระวินัยปิดกนั่นเองนะครับนะทนวินัยปิดกทั้งหมดก็เน้นวีรตีสามนี้เท่านั้นจริงๆนะครับเน้นสัมมาสามสัมมานี่แหละครับ